ท่านท้ามยายามรมาจากกับวัฒนาสุตตาภาทั้งภาณามาเสียมเวณเมภิกเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่รักปัจทเานาเสวิตาภา เป็นสิ่งที่บรรพจิตไม่ควรข้องแวะเลยเยยะยังกามสุคามาสุขนริการุโยคนี่นนคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในการทั้งหลายฮิโ อ, อเป็นของกรรมสามธามมเป็นของชาวบ้าน ผุ้ชนิโกเป็นของคนชันผูุ้ชนอนาณาลิโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาจสันนิทรไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งย่อยใจอย่ายงอัตตกิลาเธานุโยค อย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุโคเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริยนไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาสันฑิตรไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเเอเทเทิกว มะมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทําสองอย่างนั้นมีอยู่ตาถาคาเจนาอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตใต้ตรัสรูจ้จะพอแล้ว ยาอุการณีเป็นเครื่องประทมให้เกิดจากสุญญาการณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญ า, า, า, าณภูปิสมัยยเพื่อาาความสงบอภิญญาญาเพืยายา่อความรู้ยิ่งลำโพธายาเพื่อความรูร้ร้อม นิพพานายาสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานกาตมาจะาสามมิขเวมะจิมาปฏิปไาดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายเมวะอรลโยะตังกิโกมะโก ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐระกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองเลยอยาดิดังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความหมนชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ สัมมาวาจาการพูดใจชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเปลียนชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิ วางตังใจมั่นจอบอายังโกษาพิกเวมะชิมาปฏิปัติาถดูก่อนพิกสูทั้งหลายนี่แหละคือก็ปฏิบัติเป็นกลางสายกลางต า, ากางคะเทนะอาภิสัมพุธาเห็นข้อปฏิบัติที่ทถาคตได้ตรัสรูจะพอแล้ว ญาคูการนีเห็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุยาณการนีเห็นเครื่องกระทำให้เกิดยานโมภาษามายาเพื่อความสงบอาพิญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งชัมโบทายาเพื่อความรู้กรอม เนพานะายาังวัติเด็นไปเพื่อนิพพานาอินทร์โคปนาภิกเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิสุทข์ทั้งหราก็อริยศาสตร์คือทุกมีมีอยู่ชาติทีพิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุก จาราพิตุกะความแก่ก็เป็นทุกข์มารณามปิตุกะความตายก็เป็นทุกข์สุขะปิเทวะทุกขโทมนาสุปายาซาพิทุกขาความสุขความร่ำไรร่ำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ อาภเรียสัมบโยคทุกโความประสบจากสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ภีเรยวิปโยคทุกโนความพลาดคลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำผิดย ง, งนาฬภิตตามิทุกขัง มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังกิจเจนาปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุป า, าทานะขันธ์อาเป็นตัวทุกข์ยีทังโคปันปริกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยศัสตร์คือเหตุให้เกิดทุกนี้มีอยู่ย่ายาัมงตัณหานี่คือตัณหาโกโลภวิการนันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันธิราคาสหคต า, านั้นประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน ตตราตาตราทินันที่นี่เป็นเครื่องให้เกินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นเจอยาที่ดังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวตัณหาตัณหาในความมีความเป็นเวภาวตัณหา กัรหาในความไม่มีไม่เป็นดีต่างโาควปัญหาปิกเวทุกขนิโรโตอาเรยัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออาเรยัร์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสเยวะตัณหายอาเซสามิราคานนิโรโต คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองยาโคเป็นความสลัดทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยอาณาลโยเป็นความทาไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้น ยินดังขคอบันทิทนนกเวทุกานิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนพิจูทั้งหลายก็อริยสัจคือก็ปฏิบัติท่ทําสั์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อริยเมว่าอริโยะจังกิโกมคโค นี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการเทียดิดังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือธรรมาทิฏฐิความเห็นชอบธรรมะสำสกับคงความดำริชอบสรรมาวาจาการพูดจะชอบ สัมมาคัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชิวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาพเปลี่ยนชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสามาธิความตั้งใจมั่นชอบ นิทังทุขังอริยสัจจันติเมพิกเวโอเบอะนาโนสุเตสุทัมเมสุปยคุงอุตตปาติยาณังอุทปาติกาญจารุปาติวิจารุทปาติอโลโกุตตปาติก่นพิสุทั้งลา ยาสุเกิดขึ้นแล้วแก่เรายาเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญ า, าเกิดขึ้นแล้วแก่เรา<ๆ>วาิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ดังโกปาลิทังทุกขังอริยสัจ ย, ย, ยังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั่นแหลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ดังโกปาลิทังทุกขังอริยสัจยังปริญญาตันติว่าโกอริยสัจคือทุกนั่นแลเรากำหนดรู้ได้แล้ว นางนี้นทางนุกัสมุทยโยอริยสัจจันติเมพิกเวเมโอเพอานันโสุเตสุธรามเมสุยกคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิจาอุทาปาทินาลโลกอุทาปาทิ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอยากสุขเกิดขึ้นแล้วแค่เรายากเกิดขึ้นแล้วแค่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิจารเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทางข้ปฏิทังทุกขสมุทโญอริยสัจจังพันธาพันธิว่าก็ออริยสัจคือให้เกิดทุกข์นั่นแหลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ทางข้อปฏิทังทุกขสมุทโญอริยสัจจังพันธาพันธิ ว่าก <emás> ็อารียสัตว์คือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นและเราละได้แล้วนามนี้นิรังลุกนิโรโตอาริยสัตยันต well ิเมติกเวภูเบหะนุสุเตสุธรรมเมสุยกคุ้มุทัพปะติยานังุทัพปะติอันยะุธพปาติ วิช า, า, าอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนปัญสุทั้งไลยยาสุเ ก, กิดขึ้นแล้วแก่เรายาเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญยาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ทงที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอาริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็ น, อ ย, นอย่างนี้อย่างนี้ดางนี้ทางข้วบันิทางทุกขานิโรโตอริยสัจจงสัจิกาตัปันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั่นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง ดังนี้ดังข้ปันญาังทุกขานิโรธทูอาริยสัจจังสัจิกานติว่าก็อาริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั่นแหละเราําใไม่แจ้งได้แล้วดังนี้ดีทังทุกขานิโรธกามีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิกเว โมเบหะนนุสุเตสุคัพเมสุญาคุงอุทาภิสิญาณอุทาภิสิปัญญาอุทาภิสิวิชาอุทาภิสินารโกอุทปาภิสิกุขปณิทูทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เรายาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรา พันยาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแกเราแสะสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราให้ธรรม ท, ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัตวจคือก็ปฏิปัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทังโพ กาิทางทุกขนิโรดะคามีปปฏิปตาอริยสัจจังภาเวตพันธิว่า ก, ก็อริยสัจคือก็ปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงวางดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีทางนี้ ทังโคปนิทังทุกขานิโรจคาินิปปติปัตาอาริยสัจจังมาออริยันติว่าก็อาริยสัจคือข้อปฏิปปที่ทมสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือเห็นทุกนั่นแหลเราทำให้เกิดมีได้แล้วทางนี้ยาวะกีวันจเมพิก เ, กเว ยเมโซจัตุโซฮาริยสัตย์ุเรวันทิปริวัตังทวตสักการังยทธาภตังยานทัศนังนสุวิสุตังอโหสิดูก่อนวิสุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองเขียนนั้น ในอริยสั์ทั้งสี่เหล่านี้อย่างไม่เป็นของบอริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวะตาวังพิกเวสะเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกตรสัมมนประมณียาปัาญาสะเทวมนุสสายา านุตารังสัมมาสัมพธิงอภิสัมพุทโตทปัจจัญญาสิงดูก่อนพิสุทธรรมายตลอดการเพียงนั้นเรายัางไม่ปัิญญาว่าได้แต่สรุปครองจะพอแล้วซึ่งานุตรังสัมมาสัมโธิยานในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกโรมโลก ในหมู่สัตว์พร้องทั้งสมาณพราหมณ์พร้องทั้งเทวดาและมนุษย์ยาโตยโกพม่พิ่เวยยิเมสุจัตุสุอริยสัตย์เมสุเอวันติปริวัตังทวัดสัการังยัตาภูตังยานัตสันังสุวิสุทังอาวสิดูหอนพิสุทั้งหลาย เมื่อใดปัญญ า, าเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามีอาการสิบสองเกียนดันในอริยสัจ ท, ทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทะหังวิกเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสัพรหมเก ทัศมาลังมณียาปัญญายาสติ ว, วัณนุสัยยานะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิญอภิสัมพุทโปาจัญญาสิงเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตัสรูปพรอนะ้อมจะพอแล้วซึ่งอนุตตรัสัมมาสัมโพธิญานะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมาโลก ในมูสัตพร้อมทั้งสามนาพรามพร้อมทั้งเจวดาและมนุษย์ยานั้นจะพนาเมภิกะเวทศาสนาอุทปาทีดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ออยานและทาสนาได้เกิดขึ้นแล้วแกเราอาคุปาเมวิมุติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กับคำเริ่ อายามันที่มาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิพุนภาวติบาี้ความเกิดผีกย่อมไม่มีนามนี้